เรื่องจี้หนึ่งเรื่องสมัยนั้นภิกษุฉัพพกีใช้นิ้วมือจี้ภิกษุรูปหนึ่งในกลุ่มพวกภิกษุสัตตะราศาวคีให้หัวเราะเธอเหนื่อยหายใจไม่ทันถึงแก่รณภาพภิกษุเหล่านั้นเกิดความกังวลใจว่าพวกเราต้องอบัตปาราชิกหรือหนาจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไม่ต้องอาบัติปาราชิกวงเล็บเรื่องที่69